พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห0สิลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าเร่งรีบเอาในช่วงเข้าพรรษา วันนี้เป็นวันที่สามสิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยห้าสิบหกเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนแปดเข้าพรรษามาวันนี้เป็นวันได้แปดวันหรือว่าได้เจ็ดวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งวหนึ่งวันพระ หลวงพ่อเองอยากจะขอกล่าวย้ำสัายาติโยมทุกทุกท่านอย่าได้ขาดตกบกพ่องในพรรษาสามเดือนเพราะว่าอันนี้เป็นการรักษาศีลเป็นวันศีลแรกเป็นวันศีลที่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะนับวันเข้พาพรรษาอันนั้นก็คือทั่วๆไปพวกเราก็ มาวัดอยู่แล้ววันอสารหะบูชาวันเข้าพรรษาแต่ใครจะจริงจังและจริงใจเนี่ยวันพระวันนี้แหละเป็นประเดิมแรกเป็นวันพระที่หนึ่งคือแรม8ดค่ำเดือน8เป็นวันรักษาอุโบสถหรือเป็นวันรักษาศีลห้าหรือว่าเป็นวันตั้งสัจจะจริงจังและจริงใจสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ที่หลวงพ่อได้กล่าววันเข้าพรรษาว่าพวกเราจะเอาอะไรในพรรษานี้ที่จะเป็นคำสั์จริงที่จะเป็นคุณงามความดีที่จะพอกพูนกายวาจาใจของเราให้พวกเราได้คิดแล้วก็นำสิ่งที่ดีมาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอันนี้ก็เป็นประเดิมแรกคือวันพระ แรมแปดค่ำวันนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้ขาดตัวบกข้องต่อไปภายภาคหน้าทุกวันพระในพรรษาสามเดือนสามสี่สิบสองเดือนหนึ่งก็มีวันพระอยู่สี่วันแปดค่ำสิบห้าค่ำแรม8ดค่ำแรมสิบ5ี่สิบห้าคำก็มีเพียงแค่นั้นแหละสรุปแล้วก็คือสิบสองวัน ถ้าหาว่าสิบสองวันพวกเรายังให้ขาดตกบกพร่องอยู่แสดงว่าเราเนี่ยหย่อนหย่อนใน จ, ใจิตใจไม่ต้องถามใครละหย่อนออในการประพฤติปฏิบัติหย่อนต่อคุณงามความดีหย่อนต่อศีลต่อธรรมขนาดตั้งจิตอธิษฐานว่าจะรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีล5้าในสามเดือนหรือ ทุกวันพระในสามเดือนเรายังขาดตกปกพ่องอันนี้ก็อยากจะให้เตือนย้ำสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะปีหนึ่งมีทั้ง365วันเราจะรักษาคุณงามความดีเพียงสิองวันก็ยังให้ขาดตกปกพ่องไปได้อันนี้ก็น่าตําหนินะถ้าปราชญ์ทั้งหลายก็น่าตําหนิแต่ถ้าว่าตัวเองไม่ตําหนิตนเองจะให้คนอื่นตําหนิ ก็จะหาว่าคนอื่นดูถูกเยยดยามเราตัวเองนั่นลหะตำหนิตัวเองค่าเนี่ยักจะเกินไปเสร็จแล้วออันไหนจะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราถ้าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีเราจะพึ่งพาอาศัยใครเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรถ้าหาว่าเราไม่พึ่งพาอาศายัยศีลธรรมคำสอนเรือ่องศีลธรรมทานศีลภาวนา ของเราแล้วเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรในนาทีสุดท้ายของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดไว้ในใจตลอดจึงจะถูกนะหลวงพ่อว่านะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทธาธิติโยมทุกโม่เราอย่าได้ขาดสรุปแล้วไม่ใช่ว่าเพื่อหลวงพ่อนะเราจะประลักษาสินที่ไหนก็ได้อย่าได้ขาดหรือเราจะรักษาศินที่บ้านก็ได้ แต่ทุกวันพระยาได้ขาดเท่านั้นเองนะสรุปแล้วก็คือเพื่อตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองไม่ใช่เพื่อใครอื่นถ้าเพื่อใครอื่นนั่นจะรักษาเพื่อหลวงพ่อขอร้องหลวงพ่อบอกเพื่อหลวงพ่ออันนี้มันมันดูดูแล้ว ม, มันผิวเผินจนเกินไปทาาว่าเพื่อตัวเองนั่นแหล ะ, ะเราทานเราก็อิ่มเราทาน เราหายใจเราก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้ากั้นใจเมื่ อ, อไหร่กันชีวิตของเราจะขาดถ้าเราทานอาหารเราก็อยู่ได้เราออกกำลังกาย เ, เรากำลังก็เข้ามาสู่กายของเราได้เราเรียนหนังสื อ, เ, อเราเรียนหนังสือความรู้ก็เกิดขึ้นมากับเราได้เราปฏิบัติธรรมบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของเราเราทำเองเพราะนั้น ใครจะเป็นคนทำให้เราถ้าเราไม่ทําเองเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างคนอื่นทำให้ก็มีนะแต่ทำบางสิ่งบางอย่างคนอื่นทำให้แทนเราไม่ไม่ได้ก็อมีเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันสิ่งที่คนอื่นทาแทนไม่ได้มีตั้งเยอะแยะหลายใหญ่หลาย ห, า ย, หายอย่างนะเพราะนั้นขอให้พวกเราใฝ่ใจในการประพฤติธปฏิบัติธรรม เอาทำเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญกระยิมยิ้มย่องในจิตในใจเมื่อพวกเราทำถูกมีทำในใจแล้วเราจะชุ่ม ร, มร่มเย็นเป็นสุขชื่นใจชื่นใจลึกๆในใจของเราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็ยิ้มแมย้มแจ่มใสเบิกบานอยู่ลึกๆในใจแต่ถ้าว่าเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีนะ และลึกขึ้นมาเมื่อไรใจแห้งผากนะใจเสียวเสียววิวิว ว, ว้าวีอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าไปอีกต่างหากนะเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีให้เป็นที่พอใจเปนันขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านตอนนี่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะปะกวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาสีลังวิโสทาเยสาธุตอนนี้ไปหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังคณะัทธาญาติโยมอย่างที่ได้ปารบเปืองต้นว่าวันนี้เป็นวันปฐมมาเริกที่พวกเรารักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีลห้าโดยความตั้งใจด้วยความตั้งสัจจ คือความจริงจังและจริงใจไว้แต่วันนี้หลวงพ่อเองก็เคยได้พูดมายาวนานเรื่องทานเรื่องศีลบางเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปิญญาณสาบสูญตายสูญตายเกิดบุญบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริง แต่วันนี้เพราะว่า เ, เป็นวันปฐมเมื่เลิกหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราคณะจตห า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนมองไปแล้วว่ากําหนดไปแล้วว่าตั้งใจไว้ให้เรื่องภาวนาเพราะว่าเรื่องภาวนาเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นเหมือนเปลือกเหมือนกับพีแต่เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของ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 พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนะคือด้านจิตใจคือด้านภาวนาหาความสุขเข้าสู่จิตใจหามักหาผลจากนั้นพระพุองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนมาประกาศเผยแผ่กับพวกเราท่านทั้งหลายจนได้สําเร็จพระอริยบุคคลพรสัสดารสกทาคาพระอนาคาภะราหันการล้วนแล้วจะเป็นจิตภาวนาทั้งนั้นแต่ว่า ต้นไม้จะปลูกแก่นทีเดียวคงไม่ได้จะต้องมีเม็ดแล้วก็มีปุ๋ยมีปลูกขึ้นมาก็มีเปลือกมีกระพี้มีแก่นในที่สุดนี่ก็เหมือนกันเราจะไปพูดแต่แก่นอย่างเดียวก็ไม่ได้จะจะไปพูดแต่เปลือกกระพี้อย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกกี่เหมือนกันเพราะเราต้องการแก่นต้องการพ้นทุกในวัฏฏะสงสาร เพรนั้นบางครั้งก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทานมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในการเป็นอยู่ด้วยกันแต่ล้วก็สารักษาศินก็อยู่ในกฎระเบียบถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายคนก็ต้องมีกฎระเบียบเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันการอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่มีศินก็หาความสงบสุขไม่ได้อันนี้เกิดสินแต่เรื่องภาวนาจิตภาวนาคือเราต้องการจุดนี้จุดใหญ่ วันนั้นวันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนาในพรรษานี่พวกเราควรจะมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัติหรือว่าการภาวนาของเราอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราในยกเป็นตัวอย่างเพงเพียงตัวอย่างเดียวอย่างพระจักกุบานท่านจำพรรษาพระภิกษุด้วยกันไปอยู่ในป่าสามสิบโลกท่านก็บอกว่า ดูก่อนพวกเราทั้งหลายน้องๆทั้งหลายาพวกเราเกิดมาในโลกนอนจมนอนใจอยู่ในโลกวัะสงสารนี้เป็นอนันตการนานเท่านานาไม่มีที่สิ้นสุดแต่บัดนี้พวกเราได้มาพบมาเจอพระพุทธเจา้าได้เกิดมาพบพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพบพระพุทธเจา้าแล้วก็ได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าแล้วพวกเราก็ได้บวช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 ยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานีอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถือเป็นตัวอย่างแต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะแต่พวกเราจะควรจะมีการภาวนาแสดงว่าท่านให้ความสําคัญเรื่องภาวนาเป็นหัวใจจริงๆริเพราะนั้นท่านจึงว่าท่านเจ้าภาวนาอริยบทสยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษาสามเรือด รู้ใชพวกเราท่านบอกว่านอนจมนอนใจอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้นานเท่านานมาแล้วแต่ปัจนนี้จะงดจะหยุดในการนอนจะเร่งภาวนาอย่างเดียว น, ะนี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทัน้งหลายถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นพวกเรา24ชั่วโมงเนะี่ยพวกเราจะนั่งภาวนา1ชั่วโมงได้ไหมหรือ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 ขนาโทรศัพท์ของตัวเองก็ยังปิดไว้อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่จะนั่งภาวนาเพราะมันจะเป็นเรื่องพิตกกังวลในจิตในใจเว้นเจี๋ยจะมีการจะโทรมาแล้วก็คอยเขาเมื่อคอยเขาแล้วก็ได้พูดเขาเรื่องว่าเขาไม่โทรมา อ, อพี่น้องลูกหลานเก็บไข่ได้ป่วยเขาจะโทรมาเอออันนั้นก็คอยๆแต่ไม่คอยแล้วก็ปิดแหละใช่แล้วก็บอกใครต่อใครให้รู้ด้วยว่าออประมาณ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 หรือไปอยู่ในระเบียงข้างนอกทีมกันยุงเอาไว้มุ้งขอบไปนั่งลงทุนซื้อมุ้งขอบก็ได้อยู่ในระเบียงแล้วก็ไปนั่งภาวนาก่อนที่จะนั่งตอนเย็นแล้วก็ไหว้พระซะก่อนเราเข้าไปห้องพระจะมีพระพทรุทธลูกอยู่ในหิ่งอยู่ในบนบ้านของเราแล้วก็กราบพระ阿拉หังสวาวกัสโตสุปฏิปันโนนโมตสัส พระุทธังทำมังอย่างพวกเรารับสินี่นะพุทธังสรนังขจามิทำมังสังขังดูติยมปิดตาติยมปิดพุทธังทำมังสังขังสรณังขจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาแต่แผ่เมตตานี่ต้องมีทุกวันนะแผ่เมตตาเราไม่ต้องหรือเราจะอาหารโซกิโตโหมินิทโโหมิอเวโรโหมิก็ได้ หรือสัพเพสัตาสดาหนตุอาเวลาสุขชีวินโนเราจะพูดอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่เมื่อพูดจบแล้วภาษาใจของเราต้องมีอีกนึกในใจว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้า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 ไข่ของเราอยู่แล้วเราจะไปอขนาดเป็นสัตว์ทร่ทะชานเป็นสัตว์นรกยังไปอาฆาตพยาบาทจองเวียนอยู่ในอลกในกรงอีกอย่างนั้นเชี่ยวเหลอมันไม่น่าจะถูกนะ เ, เราก็ให้อภัยทุกคนที่ผ่า น, า น, านมาแล้วก็คือผ่านไป เ, เราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้กับเข า, เ, าเขาจะมาถือโทษโกรธเคืองอันนั้นกับุดแท้แต่ใจของเขา แต่เราก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ตอล้อตอเถียงไม่ตอแยกับเขาอีกเราจะอยู่แบบเป็นธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในมุง้งกันยุ่งในที่สงบสงัดของเราจากนั้นก็นั่งกัดสมาธิจะนั่งพับเพียบก็ได้เอจะนั่งเหยียดขาก็าได้อหรือจะนั่งกัดสมารก์ก็ได้ กรสุดแท้แต่แต่ตามไม่จริงท่านให้นั่งขัดสมาธินะนะั่นแหะคือจริงจังและจริงใจถ่าว่าเราไม่ขาของเราไม่ผิดปกตินะเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเพราะการนั่งขัดสมาธินี่ทำให้ร่างกายของเราตรงไม่เอียงข้างซ้ายไม่เอียงข้างขวาถ้าเรานั่งพับเพียรทำมันเอียงไปข้างหนึ่งจะทําให้ไม่ท่านั่งนานๆแล้วไม่ไม่ สงบไม่ผาสุก เ, เพราะฉะนั้นเรานั่งขัดสมาธินี่ยร่างกายของเราตรงทรงอยู่ในลักษณะตรงในเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆสามจบนี่คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราเจากนั้นก็เอามือลง ข้อมือลงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทพุทธโธถ้ามันแวบไปที่อื่นพยายามดึงกลับมาให้อยู่กับกรรมฐานพุทธโธถ้าว่ามันเผลอมันหลับไปตั้งต้นใหม่ลุกขึ้นมาใหม่บริกรรมนี่แหละอันนี้แหละคือวิธีการภาวนา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 จากนั้นพุทโธพุทโธพุทโธแต่ถ้ามันเผลอไปก็ดึงกลับมาถ้ามันเผลอบ่อยๆแล้วกับริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัมผัพอยู่ที่ตัวผู้รู้คือตัวนึกคิดยให้พุทโธให้ทีเยิบอย่าให้มีช่องว่างในขณะที่เราภาวนาให้พุทโธพุทโธไม่ต้องกําหนดลมหายใจนะขณะที่พุทโธพุทโธพุทโธแต่ถ้าหาว่าเราพุทโธกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนั่งชัวหนึ่ง แต่ถ้ามันยังออกอยู่นะเราพุทโธพุทโธพุทโธให้ทีไม่ต้องกําหนดลมหายใจเขาสัมทับอยู่ที่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะให้อยู่จุดนั้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็คืออันหนึ่งแต่ลวงพ่อเคยแนะนําอันหนึ่งก็คือหายใจเข้าให้นับนับหนึ่งหายใจออกนับสองสสี่ห้าถึงถึงร้อยถ้าไม่เผลอกลับมาอีกนับหนึ่งอีก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 แต่ถ้าพวกเรามันเผลอนะ่ะมันจะหายจะเข้าเป็นคู่หายจะออกเป็นขี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าสติของเราเนี่ยล้วนเลยขนาดไหนมั่นคงขนาดไหนจิตใจของเราเนี่ยสติของเราตีขนาดไหน เ, เราจะรู้ได้ในการนับตัวเลขนั้นแต่ถ้าว่าพวกเรานับไปแล้วหลงเอาลืมเอาลืมเอาลงเอาฮ อ, อ, อย่าไปดีใจนะอย่าไปดีใจกับการหลงลืมของตนเองนั่นแหละ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 หลวงพรออยากจะเน้นในพรรษาอย่างที่ว่าเนี่ยสามเรือนเนี่ยให้พวกเราใส่ใจในการนั่งภาวนาอย่าได้ขาดตกวกพ้องที่ตั้งสัจจะคือความจริงจังและจริงใจถ้าวันไหนถ้ามีธุระหมู่พเพื่อนหรือว่ามีกิจธุระการงานวันรุ่งขึ้นเราจะเบิ้ดสองเลยว่างั้นเถอะเมื่อเมื่อคืนเนี่ยมันขาดแต่วันนี้เราจะเอาทดแทนเมื่อคือนที่แล้วนี่ไ เออไม่ใช่ว่ามันขาดไปแล้วก็ขาดไปไม่เอาเหมือนกับผ้าขาดผ่าแล้วไม่ปะไม่ชุนไม่ได้มันผ้าขาดใครๆเห็นก็โวจนนั้นแหะผ้าขาดเนี่างเก่งขาดเนี่ยถ้าคำว่าพวกเรามันขาดแล้วก็ปะปะชุน้ให้เรียบร้อยเนอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติบางคนนั่งภาวนาพอนั่งไปมันหายเออมันหายแต่รู้อยู่ว่ามันหายมันรู้ไม่หายไปไหนพยายาม สืบหาลมใหม่อีกบางคนนะมาถามหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้ผมปฏิบัติมาเกือบสิปีครับหลวงพ่อผมนั่งภาวนาจิตใจของผมก็สงบดีไม่ใหม่แต่พอมาช่วงหลังเนะี่ยสองสามปีมานี่นะผมนั่งภาวนาผมรู้สติของผมก็ดีแต่ลมมันหายมันรู้มีแต่ลม ม, ม, ล ม, มันมีแต่ตัวผู้รู้เนะี่ยมันลมผมก็หาหาลมอีกพอหาลมขึ้นมาพอรู้ลมขึ้นมา ก่าจะหาลมได้โอ้ใช้เวลาพอสมควรฟื้นขึ้นมาอีกก็เห็นเห็นลมเมื่อก็เพียงแค่นี้บางทีก็นั่งไปก็หายเอกและจะให้ผมทำยังไงฮะอันนี้ก็คือนักปฏิบัติทั้งหลายเคยมีจนมาได้มาถามหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อก็แนะนำว่าเออี่วิธีการนั่งภาวนาบางคนพอกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายจออก เพอเนี้มันลมมันเออหลีลงหลีลงหลีลงหลีลงหมดลมฮะฮะเพราะว่ามันสติเนี่ยมันอยู่มันอยู่กับตัวเองนะมันหมดมันหมดลมหายใจหาไม่เจอลมเยก็ตกใจพอตกใจขึ้นมาก็หาลมมันก็หยาบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นอย่าตามหาลมนะทีนี้นะเอเวลากําหนดลมหายใจ เข้าหายใจพุทโธพุทโธพุทโธถ้าลมหมดไม่ต้องตามลมให้ดูตัวผู้รู้ทีนี่ตัวผู้รู้นี่คือใครใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าลมหมดนี่แหละให้ย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้นี่แหละเออไม่ต้องตามลมนะถ้าตามลมมันจะหยาบอีกนะให้ตาให้กลับมาหาตัวผู้รู้พอกลับมาหาตัวผู้รู้นั่นแหละทีนี้ เป็นยังไงต่อไปนั่นให้อยู่กับตัวผู้รู้เลยเถอะนี่ให้มีสติอยู่กับตัวผู้รู้ตลอดอย่าให้เผลอให้จับอยู่ตัวเนี้ยจับอยู่ตัวผู้รู้รู้รู้รู้รู้อยู่เนี่ยนี่นี่แหละต่อไปนั้นหลวงพ่อจะไม่อธิบายเพราะนั้นพวกท่านจะรู้เองเห็นเองในจุดนั้นทํามันผ่านจุดนั้นไปแล้วยังค่อยมาพูดกันอีกนะเนี่แหละหลวงพ่อก็บอกอย่างนั้นอแต่บางคนก็บอกว่าเวลานั่งภาวนา มันก็เหมือนกับใจของเราหรือวิญญาณของเรานะมีสองมันแทรกกันอยู่ตลอดมันแซงกันอยู่ตลอดแล้วจะทํำยังไงหลวงพ่อโดยมากที่วิญญาณที่มันแทรกแซงออกไปนั้นโดยมากมันจะไปทางทางที่ปลามาดคนอื่นดูถูกคนอื่นดูถูกกระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูถูกทั่งกระทั่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูถูกกระทั่งบุคคลที่เราไม่เคยเห็นก็ดูถูกเขาก่อนแล้วย อ, อย่างนั้นก็มีมาทําไมมันเป็นอย่างนั้น หลวงพ่อว่านี่แหละใจประเภทหมาบ้ามันเป็นอย่างงั้นแหละมันกัดดะไปหมดเฮ้ยพอตัวเองขาดสติฮ้ยล้งไม่อยู่เพราะฉะนั้นพวกเรานะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นทางมโนมโนกรรมเป็นเป็นทางบาปทางใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราปลามาดผู้ใดเราก็ถามตัวเองย้อนมาหาตัวหมาบ้าดูสิให้มีสตินะ ย้อนมาหาตัวหมาบ้านะย้อนมาหาใจเอ้ยใจหมาบ้านะเธอไปมาประมาทพระพุทธเจ้านะ่ะเธอมีดีอะไรเธอจึงประมาทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกสอนคนตกคนทั่วฟ้าทั่วเป็นดินให้เป็นคนดีแต่แกเนะี่ยสอนใครได้บ้างขนาดสอนตัวเองยังไม่ได้สอนผู้อยู่รอบข้างยังไม่ได้เขาจะดาหัวเอาอีก ทำไมมันน่าโง่นักใจประเภทอย่างนี้พยายามสอนตนเองหลายครั้งต่อหลายหนต่อไปมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาดล้ำลึกถึงให้ระลึกถึง เ, เมื่อใจประเภทนั้นปลาหมาดใจดวงหนึ่งที่เป็นธรรมก็ให้ระลึกถึงบุญคุณแทรกผลที่สุดใจที่มีพลังเหนือกว่าที่หมาบ้านะเดี๋ยวหมาบ้านก็จะหายไปเองใจที่มีกิเลสท่านแต่ถ้าว่าเราปล่อย ละเลยไม่ได้สนใจนะบาหมาป่าตอนนั้นมันจะกัดไปเรื่อยนะด่าไปเรื่อยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกแล้วเผลอเผลอเป็นบ้าได้ง่างอยอีกเหมือนกันน่ะเ <c oughs> พราะฉนั้นขอให้พวกเราท่นทั้งหลายนะให้สังเกตตัวนี้แต่บางคนก็บอกเวลานั่งภาวนานเนี่ยมันมันหลงไปได้ไง่ายง่ายมันเผลอเอาอยัางไงเอเพราะมันไม่มีสติหลวงพออ่อถ้ามันพอนั่งภาวนาไปมันไปเห็นนิมิต จนเลื่อนลอยจนตัวเองจะเป็นบ้าเอาไม่อยู่อีกเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงหลวงพอ่อเออถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นตามที่จริงครูบาอาจารย์ท่านก็พูดเป็นสองเหมือนกันนะพูดเป็นสองคือลงตามหาบัวเอาเร่งเขาเาภาวนาเขาไปสิให้มีสติแต่หลวงปู่จึงทองบอกว่าเอ้ยจุดซะก่อนจุดทับซะก่อนพักทับพักทับอย่าไปเร่งเพื่อพักทับก่อน พอท่าเล่งเข้าไปมันเล่งผิดเล่งถูกเนี่ยมันสเปะสปะมันเอาไมา่อยู่นะพักพักทับ ก, ก, ก่อนให้ภาวนาให้ไหว้พระสวดมนต์ธรรมดาเอาเบาๆซะก่อนให้สวดมนต์ธรรมดาฮะซะก่อนแต่หลวงพ่อหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วแท้ท่าว่าผู้ที่ท่านจิตใจเข้มแข็งทําเดียงโรงเตาะโรงตาพูดอันนั้นได้ผลได้ผ ล, ผลแบบแ ต, แตกหักเลยได้ผลแต่ถ้าว่ามันแตก ทำไม่เข้มแข็งถึงอย่างลุงตาพูดเนี่ยถ้าทําเข้าไปเลยยิ่งไปใหญ่เตลิเปิดเปิงตเติดเปิงเปิดเสียมต้องใช้แบบระบบลุงปู่ชิงทองลุงปูส่สิงทองว่าให้พักทับก่อนหยุดซะก่อนเอออันนี้คล้ายว่าให้หยุดภาวนาให้พักผ่อนนอนซะก่อนอแต่มาถึงในใจของเราเราคิดไว้อยู่เสมอเราจะต้องภาวนาแต่ว่าทันเดียวนี้ขณะนี้เราล้างไปก่อน เราให้สวดอิติปิโสไว้ก่อนอิติปิโสพระกวารหังสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชัยเจรณาสัมปโนสวาคาโตสุปฏิปโนอถ้ามีลูกประคำเอาลูกประคำนับก็ได้จบหนึ่งจบสองจบสามจบสี่เอาถึงร้อยแปดจบนะให้อยู่กับอิติปิโสอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือระงับหลังจิตใจที่มันปุ่งฟุ้งออกไปจนเอาไม่อยู่ ต้องให้อยู่กับการสวดมนต์การสวดที่ิพิโสจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าออกพอมันอยู่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพดโถจากนั้นเมื่อพิจารณาเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นก็ถอนความจิตที่รวมสงบลงเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิจากนั้นก็พิจารณาได้เลย ต้องสอนให้พิจารณาพิจารณาคือวิปัสสนา่อันนี้คือสมัะรที่ทำจิตใจให้สงบนั่นคือสมัตในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนำจิตใจที่มันสงบผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางวิปัสสนาคือใจสง่งให้ใจคึกนึกคิดแต่ว่านึกคิดคานี้กับปุ่งฟงซ่านไม่เหมือนกันนะมันคนละแนวกันเลยละ่ะ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 เมื่อเราพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตะล่อมเข้ามาหาสู่ความสงบให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเทนี้เมื่อเราพิจารณาทางสมถะก็ดีพิปัญนาเราจะไม่หลงโลกหลงทางทิ้งจิตใจของเราคนเด้วรับความสงบเราพิจารณาโลกของเราหลงอะไรมันหลงร่างกายพอหลงร่างกายมันหลงสิ่งอื่นไปหมดหลงราบหลงยศสงสารเสริญเยินยอทั้งหลาย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 อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับคณะทศทยญาติโยมพระเนนลูกหลานได้ยินได้ฟังแต่เรื่องวิปัสนาในกว้างขวางฮะมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมากมายจะต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์จะต้องฟังที่องค์หลวงตาเทศพวกพวกร้อให้ฟังกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตี5ให้วังให้ฟังวันละหนึ่งกันหลวงตาจะอธิบายให้ฟังเรื่องวิปัสนา วิปัสนึกวิปัสนนาการแยกส่วนแบ่งส่วนการให้ทันให้รู้ทันกิเลสภายในใจของเราเนี่ยหลวงตาจะชัดเจนมากถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษานี่ยอยากจะให้พวกเราเร่งอ่อเรื่องทานเรื่องศีลก็อีกส่วนหนึ่งแนหะเรื่องภาวนาเนี่ยหนะลวงพ่ออยากจะให้จุดนี้พดจุดนี้เป็นจุดหลักจริงๆ แต่ว่าพวกเราไม่ได้ภาวนาี่มีแต่เรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยเขาเป่าหูไปยังไงก็เควไปตามเนเอยเขาพูดเรื่องเรีนคําก็เห็นคือเกียดเขาจนเอพอแรงแต่ตามไม่เดไปเกียดเขาทำไมเหมือนกับเราไปเกียดไสเดือนอไปเกียดตัวปิงเนี่ยไปเกียดตัวบุ้งไปเกียดทําไมถ้าไม่ง้จะเกินไปโลกวัฏสงสารมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้มันเกียดใจของตัวเองนั่นแ่ะ เบื่อหนายที่ใจของตัวเองปล่อยวางที่ใจของตัวเองนั่นแหะเลิศประเสริฐจะไปหักเกียรติทำไมสัตว์เหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่งโง่จนเกินไปถ้าเราโง่จนเกินไปก็บอกอะไรให้เกียรก็เกีย ร, ยรไปตามเขานะโง่ฮทําไมฟังโง่จะว่าอะไรเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่าไปโง่อย่างนั้นนะพูดสรุปแล้วต้องใช้ความคิด ใ, ใช้ปัญญา สัตวโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะไม่ไม่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนมันมีอยู่ฮะอแต่เราเนี่ยฮอย่าไปลุมไปหลงไปมัวไปเมาองไปหลงอย่างนั้น่ะไปโง่อย่างนั้นมันไม่ได้ต้องดูใจฮท่านดูใจตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเกิดความเบือ่อหน่ายคลายจิตใจของเราหลุดพ้นใครจะเป็นยังไงก็ เ, เป็นเทอะโลกกันนีเฮยพระพุทธเจ้าท่านยอม บายบ่ายลาโลกก่อนแล้วไปยืนอยู่ที่เมืองเวสารีทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายใครก็ยืนทอดพระเนตรเราคงจะไม่มาเกิดเป็นอนันตการชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วพวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะหลวงพ่อว่านะ เอาลับผอนุโมทนาให้พ้น